ชีวิตของนักบวชเป็นชีวิตที่สู้ภายในใจสู้กับกิเลสภายในใจสู้กับความหลงภายในใจความหลงภายในใจถ้าไม่ได้ศึกษาในหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราจะมองไม่เห็นว่าความหลงนั้นคืออะไรถ้าหากว่าพวกเราได้ศึกษาแล้วแต่พวกเราไม่ได้ปฏิบัติตามไม่ได้นั่งสมาธิจิตไม่สงบ ตามแนวแถวเบื้องต้นพวกเราก็ยังไม่มองไม่เห็นว่าความหลงนั่นคืออะไรอวิชชานั่นคืออะไรก็ยังมองไม่เห็นอีกเพราะนั้นที่จะมองเห็นได้ต้องได้รับการฟังเป็นเบื้องต้นจากนั้นก็คือความเชื่อเชื่อในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็ได้ศึกษาแล้วก็ลงมือประพฤติธปฏิบัติเราจึงจะเห็น กิเลสภายในใจของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างพวกเราที่เป็นนักพรนตรปวดอย่างเนี้ยถึงจะบวชนานเท่าไหร่รกิเลสก็ไม่ได้หลุดลอยออกไปด้วยมันยังอยู่อย่างเก่าเพอเผอยังสั่งสมกิเลสเข้ามาสู่จิตใจของเราพอกพูนขึ้นไปอีกเพราะความหลงหลงในกิเลสหลงในการเป็นอยู่หลงในลาบหลงในยศหลงในชื่อเสียงเลียงนาม ย่งหลงในการยกย่องสรเสริญของคู่คนยกยอปอปั้นตัวเองก็หลงเข้าไป น, นี้มันหลงหลงในความนี้มันคืออะไรเหมือนกับเป็กมันมีสนิมอยู่ในนั้นอันนี้ก็เหมือนกันใจของเรามันมีสนิมอยู่ในนั้นคือความหลงเป็นพื้นฐานอยู่ในใจดวงนั้นทำอะไรไปก็หลงหลุ่มหลงมัวเมา หลงมากๆเข้าไปก็คิดว่าตัวเองจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคิดว่าจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายลักษณะอย่างนั้นน่ะเพราะมันหลงหลงในลาบหลงในยศเพราะนั้นพวกเราให้ใช้ปัญญาใช้สมาธิพยายามให้มีความเชื่อแล้วพยายามทาสมาธิให้เกิดขึ้นได้ถ้าพวกเรามีสมาธิในจิตใจแล้วพวกเราจะมองเห็น อันไหนควรคิดอันไหนควรพูดอันไหนควรทําแต่ถ้าว่าพวกเราไม่มีสมาธิพวกเราจะมองไม่เห็นกิเลสราคะโทสะโมหะจะเข้ามาเหยียบย่าทําลายจิตใจของพวกเราทั้งวันทั้งคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนับทั้งนอนอทั้งตื่นเดินไปที่ไหนมีแต่กิเลสเหยียบย่าในจิตใจของเราเราก็ยังมองไม่เห็นเพราะเหตุไรเพราะความหลงเพราะฉะนั้น อย่างชีวิตนักบวชของพวกเราท่านทั้งหลายผมไม่อยากจะพูดถึงจุดอื่นผมอยากจะพูดเกี่ยวกับกามัลาคะจุดนี้เป็นจุดที่เหยียบย่าจิตใจของพวกนักพดนักบวชทั้งหลายไม่ว่าจะเท่าแก่ชลาขนาดไหนทาไมจึงพูดว่าเข้าแก่ชราเพราะเพิ่มผมเคยได้ยินมาเพราะผมบวชเคยบวชผมบวชก่อนพวกท่าน ผมได้ยินพระที่บวชเข้ามานานหลายปีแต่ก็ยังมาติดมาลุ่มมาหลงในการมกักเกล็ดตัวนี้ดูแลไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นนะเพราะเหตุไรเพราะมันเป็นไปแล้วนะขนาดฝ่ายหญิงนี่ก็ฟันจะไม่มีในปากฝ่ายชายก็เหมือนกันฝ่ายพระที่เป็นนั่นก็ฟันไม่มีในปากจะเข้าเจ็ดิบแปดสิบอยู่แล้ว ไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบกว่าปีมัจะเข้าแปดสิบอยู่แล้วแต่ขนาดนั้นถึงจะทำอะไรเข้าไปก็เถอะแต่ยังไม่รู้แต่ว่าการเห็นของคุณเห็นนั้น <c oughs> คืออยู่ด้วยกันให้ใคลายกับว่ า, าจับกันกอดกันลักษณะอย่างนั้นน่ะมีคนมาเล่าให้หลวงตาฟังหลวงต า, าพยาพูดขี้มันห่อใส่ใบตองมาใบาไม้มา ไปเปิดที่ไหนมันเหม็นที่นั่นอย่าพูดอันนี้คือสับหลงตาพูดผมได้ยินกับหูแล้วเพราะวันกิเลส ต, ตัวนี้ไม่น่าไว้ใจนะอันนี้การพูดทางนี้ทางนั้นผมไม่ได้ดูถูกเยียดหยามท่านที่ผ่านไปแล้วเป็นการย้ำเตือนพวกเราท่านทั้งหลายอย่าลุ่มหลงอย่ามัวเมาอย่าไว้ใจกับกิเลส ต, ตัวนี้เพราะกิเลส ต, ตัวนี้ไม่ได้เลือกอายุหนุ่มแก่ มันเป็นไปได้ทั้งนั้นกีเลตตัวกามราคะจุดนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วกับพระอานน์ุอพระอนุนกราบทูลถามพระพุทธเจ้าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานเป็นวันที่สุคลหกที่สุดทั้งที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานอยู่แล้วเออถ้าว่าไม่จําเป็นพระอา น, นุ์ก็คงจะไม่ถามกราบทูลถามพระพุทธเจ้าแต่นี่พระอนุนก็คงจะเห็นว่า เป็นสิ่งที่จาเป็นสำคัญจะปฏิบัติอย่างไรอยากจะได้รับคำสั่งจากพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติอย่างไรต่อสตีเพศพาโนนถามทั้งที่ไม่น่าจะถามแต่มันจุดที่จาเป็นสำคัญอย่างที่ผมว่านี่นะเป็นจุดที่ว่าร้ายแรงหักเหทาลายอย่างมากในหลักของพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรื่องกามกิ ร, ร่องกามมราคะจุดนี้ เพราะนั้นพวกเราท่านหลายอย่ามองข้ามให้เห็นไหมเสือเท่าแมวอย่างภาษาอีสานเขาว่าแต่เราไม่อยากจะพูดคํานี้ว่า ง, งั้นเถอะให้เข้าว่าอย่าอย่ามองข้ามเเสือเท่าแมวก็ตามก็ให้ระวังเอาไว้อมันเป็นพิษเป็นภยัยองูเท่าเข็มก็ตามอย่าไปมองข้ามมันมันเป็นอสารพิษอันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านบอกกับพรนะโนระ อย่าดูอย่าแลอย่ามองเป็นดีอานนทะคือไม่ให้มองไม่ให้มองเพศตรงข้ามถ้าหางว่าเป็นฝ่ายผู้หญิงก็เหมือนกันถ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่ามองอย่าดูอย่าแลเพศตรงข้ามเป็นดีแต่ถ้าจำเป็นต้องต้องมองต้องดูล่ะอย่าพูดด้วยถ้าจำเป็นจะต้องพูดด้วยจะปฏิบัติอย่างไร ให้มีสตินถ้าไม่มีสติถ้าเพาเลอเรสติออกไปแล้วความเสียหายจะเกิดขึ้นมาได้ง่ายเพรา ะ, ะนั้นพระไตเจา้าท่านย่งห้ามดูห้ามแลห้ามพูดด้วยถ้าจะพูดด้วยก็ให้มีสติในการพูดอย่าไปหลงมัวเมาในการพูดนั้นพระพุธองยังตรัสก่อนหน้านั้นอีกว่าดูก่อนภิกษดทั้งหลายเราเมื่อเราได้ตัดจรูธรรม เราได้บรรลุธรรมเราได้มองเห็นแล้วมานพยามานที่เกิดขึ้นมาหรืว่าเกิดขึ้นมาจากใจเรามองเห็นแล้วว่าต้นต่อของกา ร, ร ม, ม ก, กิเลสเกิดมาจากไหนเกิดมาจากใจเพราพระพุทธเจ้าท่านเยอะหยันบอกว่าดูก่อนกามเอ่ยดูก่อนกามเอ่ยเรารู้จากต้นเงาของเจ้าแล้วเจ้าเกิดมาจาก ความดำริคํานึงถึงนั่นเองตั้งแต่บัดนี้ไปเราจะไม่คํานึงดําริคํานึงถึงเจ้าอีกแล้วเจ้าจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรในเมื่อเราไม่ดําริคํานึงถึงนี่แหละให้พวกเราคิดฟังดูให้ดี ค, คํานี้คําว่าดําริกเคือคาว่าคิดขึ้นคํานึงแต่ตอ่อค่อยควรไปตามความคิดแต่ น, นั้นอันนี้ว่าคํานึงถึง เทนิกาเมกเลมันก็ไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงจุดจบของมันไปได้ถ้าเราไม่ตำลิกไม่คำนึงถึงมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกท่านนะที่เป็นชีวิตดักปวดที่ว่าอยู่ที่ไหนก็หนักใจอยู่ที่ไหนก็หนักกกหนักใจพวกเราต้องดูตนเองดูต้นเง่าของตนเองจากนั้นก็ฝึกหัดรัดนิสัยตัวเองกดอาหารพ่อนอาหารเล่นความภาคเพียร ดูใจของตนเองมันจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนมันก็อยู่ที่เก่านั่นล่ะหัวใจดวงเก่านั่นน่ะถ้าเราไม่ปรับปรุงแก้ไขถึงจะไปอยู่ยอดตอยอดเขายอดต้นไม้ก็เถอะถึงจะอยู่ใต้น้ําใต้ภูผาอะไรก็เถอะมันอยู่ในใจของเรากิเลสไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจเพราะฉนั้นให้ดูที่ใจแก้ไขที่ใจปรับปรุงที่ใจถ้าพวกเราดูที่นี่แล้วน่ะรู้จักต้นตอของวิธีการแก้ไขถ้าพวกเราไม่ดูที่นี่แล้วนั่นน่ะ ไปยุดที่ไหนเป็นบ่อยของกิเลสทั้งนั้นกิเลสตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดากามกิเลสตัวนี้ถ้าว่าผู้ใดก็ตามถ้าตัดกิเลสราคะโทสะออกไปด้วยกันอย่างพระอนาคามีพระอนาคามีท่านตัดกิเลสตัดตัวราคะน่ะโทสะกับโทสาราคะกับโทสามันกระเด็นออกไปด้วยกันเพราะโทสามันอยู่นอกกว่าราคะมันอยู่ลึกกว่า ในเมื่อถอนพวดขึ้นมาลากแก้วลากผ้อยมันก็กระเด็นขึ้นมาตั้งเหลือแต่โมหะที่เป็นพื้นฐานคือเป็นแผ่นดินเป็นที่ยึดยึดเหนียวของของมันกิเลสลาาราคะกะโทศกเดนออกมาแล้วนะ่ะถ้าเมื่อตายยังละยังไม่จบสิ้นเป็นพระนาคามีไปสู่ชั้นผ่มสุทธวาดห้าชั้นนี่แหละกิเลสตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดาเพราะนั้นพวกเราอย่ามองข้ามเร็ดขาด อดนอนผ่อนอาหารให้สู้อย่างสุดๆถึงระดับหนึ่งแล้วมันจะพอทนไหวมันจะสู้ได้แต่ถ้าพวกพวกเราไม่สู้นะกิเลสตัวนี้จะเกียบย่ำหัวใจของพวกท่านทั้งหลายจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปเถ อ, ะ, เอะมีแต่ทุกข์ในหัวจิตหัวใจเดือดร้อนวุ่นวายพวกท่านอย่าคิดว่ามันจะมีความสุขในเมื่อเป็นนักพลดนักบวชไม่ได้ทากิจการงานอะไรมันเล่าร้อนอยู่ที่จิตใจเพราะนั้นให้พวกท่านทั้งหลายพวกเราทั้งหลายดู ดูใจเอาอาสุภะดูให้ดีภาวนาให้อสุภะให้มากพิรนาถึงความตายให้มากให้พิจารณาถึงความตายมรณะนุตสติให้อยู่ในอยู่ในตัวเองอยู่เสมอมันจึงจะเอาชนะกิเลสตัวนี้ได้ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านวางกรรมฐานห้าให้แก่พวกเราตั้งแต่วันบวชเกสาโลมานะขาทันตาตะโจนอันนี้เป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าวางถูกจุดที่สุด ถ้าเราเห็นอสุภะปฏิกูลเห็นมรณะรุสติอยู่เสมอกิเลสตัวไหนจะเข้ามาหาเราได้เรามองเห็นอยู่แล้วร่างกายของเราคืออะไรความตายของเราคืออะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเอครูบาอาจารย์ท่านเป็นห่วงมากเรื่องกา ม, มากิเลสผมเคยคิดว่าผมถึงจะบวชมาแต่เป็นสัมมาเรนเตเล็กตัวน้อยกว่าเดิผมก็คิดว่าตัวนี้เป็นตัวใหญ่ที่แรกผมเคยคิดว่าสมัยสมัยเป็นเนเป็นพระหนุ่มผมก็คิดว่า เราไม่เคยมีอะไรมันผ่านไปได้แต่ที่ไหนได้พอมาพิจารณาย้อนหลังดูพิจารณาทบทวนน่โอ้โหมันหลายชั้นหลายเชิงเหลือเกินกิเลสตัวนี้เพราะนั้นอย่างที่พวกเราที่ผมไปทางมุกดาหารเมื่อกี้ได้เห็นพระท่านก็บวชมานานน่าเสียดายสรุปแล้ว เพราะนั้นจึงนําสิ่งเหล่านั้นมาตักเตือนหมู่พวกเพื่อนทั้งหลายไปอยู่ณสถานที่ใดถึงจะอยู่ที่นี่ก็เถอะตลอดถึงการอยู่การฉันพวกท่านต้องระมัดระวังอย่าไปฉันตามมําเภอใจอย่าไปนอนตามมําเภอใจพูดคุยตามมําเภอใจอาหารประเภทไหนเป็นพิษเป็นภัยขน ม, นมนมเนยสิ่งไหนก็ตามที่เป็นการส่งเสริมการ ม, มกักกะเลศให้พวกท่านทั้งหลายคิดไปอยู่เสมอจึงจะเอาตัวรอดได้ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายไม่คิดในสิ่งเหล่านี้แหละมีอะไรกิกน เต็มอัตราศึกนอนเต็มอัตราศึกกิเลสมันจะพอกพูนขึ้นสู่จิตใจของพวกท่านพวกท่านจะอยู่ลำบากเทอนี้ก็จำให้ใจร้อนเลอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นสุขเลยคิดว่ามันจะมีความสุขไปที่นู่นกับไม่มีความสุขไปที่นี่ก็ไม่มีความสุขมันจะมีความสุขได้อย่างไรเพราะใจของเรามันเผาด้วยกิเลสอยู่ในนั้นถ้าไม่ดูจุดนั้นแล้วจะไปที่ไหนในโลกขอบโลกจั ก, กรวาลเนี่ยไปที่ไหนก็ไปเถอะ ถ้าไม่ดูถ้าไม่แก้ที่นั่นถ้าแก่ที่ไหนอยู่ที่นั้นบังคับมันลงที่นั่นอดูที่นั่นปล่อยวางที่นั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นที่นั่นไม่ดําริคํานึงถึงอยู่ที่นั่นมันอยู่ที่ไหนมันก็เป็นไปอยู่ด้วยความสงบพร้มเย็นเป็นสุขได้เออแต่ว่าในครั้งพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านบอกกับภิสูจน์ุก่อนภิสูจน่์ผู้ที่สํารวมกายวาจาใจของตนเองน่ะจะไปสู่จุด หมายปลายทางได้แต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายท่านาไม่สั่รวมกายว่าใจาใจของตนแล้วนั่นล่ะยักษ์อมนุษย์ทั้งหลายจะกินพวกท่านาพระพุทธองค์ตัดอย่างนั้นจากท่านทัน้งาพูดเป็นชาดกขึ้นมาในครั้งนั้นท่านวอกว่าสมัยหนึ่งพระเจ้าเป็นดินกรุงพราณศีมีลูกหลายคนเป็นร้อยเหมือนกัน แต่นี้ลูกของพระเจ้าแผ่นดินนะก็พระเจ้ามีพระประเจกพุทธเจ้าไปฉันในเวียงในวังของพระเจ้าแผ่นดินกลุ่มพระราณสีพระประเจกไปฉันทุกวันแต่เจ้าฟ้าชายหนุ่มท่านหนึ่งในบรรดาเจ้าฟ้าชายทั้งหลายคืออาจจะเป็นเกือบสุดทับุดท้ายเป็นเจ้าฟ้าชายสุดท้ายเป็นคนที่ร้อยตนตนมั่งนั้นทัศ ท่านก็ปฏิบัติล้างเท้าตอนรับพระประเจกพุทธเจ้าอุปถรรัมภะถาคอย่างนอบน้อมตอนนี้ท่านก็เข้าไปกราบทูลถามพระประเจกพุทธเจ้าเพราะในใจเชื่อมั่นว่าพระประเจกมีญานัทส อ, อถามอะไรแต่พระองค์ก็จะต้องตอบแต่ที่นี้ท่านก็ไม่อยากจะให้ใครรู้เพราะมันเป็นเรื่องที่ส่วนตัวที่สุดท่านก็เข้าไปกราบกระชิบถามพระประเจกพุทธเจ้า่พระประเจกพุทธเจ้าขา้ากระผมหมอมฉันเนี่ย จะได้รับเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนพระบิดาไหมพระเจวัลใหม่ไม่ได้ไม่ได้ฝ้าชายไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะว่าเพราะว่าพระเจ้าพี่มีตังมากมายพระองค์เป็นคนเกือบจะตุดทองแต่เอาเถอะยังมีเมืองตะกัศิลาห่างนี่ไปเป็นหลายร้อยโยน์แต่จากนี้ไปใช้เวลาเดินถ้าเดินด้วยความตั้งใจก็ประมาณสัก สองสั ป, ปดาห์คงจะถึงได้แต่เอาเถอะนะแต่ถ้าว่าพระองค์มีความมุ่งมั่นมีความพยายามแต่ตามลายทางนั้นน่ะมีอมนุษย์มียักษ์ k i d ีเทคอยดักกินมนุษย์อยู่มากมายแต่ถ้าพระองค์อยู่ในความสัมรวมกายวาจาใจพระองค์จะเดินถึงจุดหมายปลายทางได้แต่ถ้าพระองค์ไม่สัมรวมกายวาจาใจแล้วอมนุษย์เหล่านั้นคอยดักกิน ผู้คนอยู่พระ อ, องค์จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางแต่เมื่อพระ อ, องค์เดินไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วสองสัปดาห์สุดท้ายนั่นแหละไปถึงใหถึงวันนั้นพระ อ, องค์จะได้รับราชาพิเศษราชรสจะมาพาดมาเกยเขาจะแห่ราชรสมาแล้วก็จะเชิญพระ อ, องค์เข้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินในเมืองตากศิลาแต่นี้เจ้าฟ้าชายบก ถ้าหากว่าสำรวมกายวาจาใจข้าพเจ้าคงจะทำได้บะนั้นข้าพระองค์จะไปใช่พระประเจก็ต้องเชื่อมั่นในตนเองนะจากนั้นฟ้าชายก็เตรียมของใช้กระโปรงกระเป๋าเดินทางแบบคนเดียวเพราะงั้นเถอะเอาาของบรรจุ ข, ของที่มีคุณค่าใส่กระเป๋าเสร็จแล้วก็จะรีบเดินทางพวกมหาดเล็กทั้งหลายที่ดูแลฟ้าชายอยู่ พระชายจะเสด็จไปไหนพระเจ้าข่าพระชายก็จะเสด็จไปตะ ก, กัศิลาพวกผมขอติดตามไม่ได้พวกท่านติดตามไปไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปคนเดียวคราวนี้พราพวกท่านทั้งหลายไปเดี๋ยวก็เสียหายพลุงพลังาการเดินทางก็จะล่าช้าเพราะนั้นเราจะเดินแบบคนเดียวอา้าวไม่เป็นไรพระองค์เดินยังไงพว ก, กผมก็เดินอย่างนั้น้าชายก็บอกว่า ในลายทางนะมียักษ์กินีนะมีอมนุษย์นะคอยดักจับกินอยู่นะแต่ถ้าว่าพวกท่านจะเดินไปพระปฏิเจกสั่งแล้วสั่งอีกนะอย่ามองอย่าดูอย่าแร อ, อห้ามพูดห้ามดูห้ามมองเด็ดขาดจึงจะไปสู่จุดหมายปลายทางได้ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายไม่ปฏิบัติอย่างข้าพเจ้าพูดยาไปถ้าไม่เข้มแข็งข้าพเจ้าจะต้องปฏิบัติอย่างที่พระปฏิเจกพูดทุกอย่างทหารมหาเล็กเหล่านั้นก็ พระองค์ทำยังไงพวกข้าพระองค์จะทําอย่างนั้นอา้าวทางนั้นก็สุดแท้แต่อาจากนั้นก็เดินะ เ, เดินดุ่มไปจุดหมายปลายทางพอเดินไปมันก็เหนื่อยใช่ไหมอพอเหนื่อยเขาก็เชิญให้พักแวะพักข้างทางบ้างอาดื่มน้ําก่อนเดินทางาน้ําเย็นๆพักร่มซะก่อนจะค่อยไปนี่แหละเรื่องเรื่องกามกิเลสทั้งนั้ น, นเลอชักชวนมางนั้นะอตัวเองก็รุ่มหลงเลย พอเดินทางเหนื่อยชวนทีแรกกับฝ้าชายเขาบอกว่านี่นะนี่นะนี่แหละเอามนุษย์นี่นหะจ็กกินีนี่แหละระวังนะเอท่ากับไปที่ไหนก็มีแต่พูดอ่อนหวานทั้งนั้นเหมือนกันเถอะ เ, เชิญจ้าเเอเชิญนั่งเชิญรับทานอาหารเชิญดื่มก่อนก็ไปเดินทางต่อจ่าทีนี้ทหารทั้งหลายหละเชิญครั้งที่หนึ่งก็ผ่านไปกลุ่มหนึ่งพอครั้งที่สองก็ยิ่งสวยเข้ากว่าเก่าอีก ที่สามยิ่งสวยเอา้าพักกับเขาสักหน่อย ก, ดนะก็ดีไหมกินน้ำซะ ก, ก่อนแล้วจะเดินเอา้าขอพระองค์ไปก่อนนะข้าพระองค์จะตามไปขอดื่มน้ําซะก่อนพระเจ้าข่าวพระยาขา้าจากนั้นเนี่ยฝ้ายชายเนี่ยแปลว่ามองแต่แผ่นดินเธอเองไม่มองใครเล ย, ยงั้นเน่ยเนี่ยนึกความมุ่ง ม, มั่นถึงขนาดนั้นนะอจากนั้นก็เลยพอไปหมุ่ที่นี้ก็ดื่มน้ําเสร็จแล้วค่ะไปกลุ่มที่สองอีกยิ่งดีกว่าเก่ายิ่งสวยกว่าเก่าอาหารอริดอร่อยกว่าเกาเนี ผลในสูงเขาเชิญพักผ่อนซะก่อนค่อยไปกับตัวเองก็เหนื่อยนะไอ้พักผ่อนซะก่อนจะค่อยตามไปก็ได้ก็เดินตามทางสายนี้แหละไงผลในสูก็เลยจากนั้นมาอมนุษย์ก็เลยกินพวกผู้ติดตามฟ้าชายจะเรียบฟุตเลยงั้นเถอะฟ้าชายก็เดินคนเดียวดุ่มเลยงั้นเี่ยไปถึงเมืองตะกัศิลาเกิดขึ้นไปกัไปพักที่สวนอุทยานเพราะไม่มีที่พักไม่มีโรงแรมนะ ที่ไหนที่พักของคู่คนท่านก็ไปพักที่สวนอุทยานไปกับไปพักในแท่นหินศิลาอาดที่สวนอุทยานของพระเจ้าแผ่นดินจากนั้นก็เป็นนอนเอาผ้าคลมหัวนอนจากนั้นพวกเจ้าเมืองเขาก็เป็นวันที่เขาเสียงราชรสพอดีจากนั้นเขาก็ประกาศคู่คนทั้งหลายให้ตกแต่งบ้าน ขุนผลทางหลายพยายามเตรียมบ้านเรือนของตนเองไว้อย่างดีว่าะงั้นเพื่อจะให้ราชสรสมาพาดมาเกยเพื่อจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินจากนั้นเขาก็เสี่ยงไทยเทพเจ้าเหล่าเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองอย่างทุกวันก็คงจะเป็นพระสยามเทวาธิราชอย่างนั้นสักเคเทพเจ้าทางหลายให้ทางพวาผู้ใดเป็นเป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่ที่จะมาเป็นเจ้ามาครองบ้านครองเมือง ร่มเย็นเป็นฉุก ข, ขอขอให้ราชรถนี้ไปพาดหรือไปหยุดอยู่บ้านหลังนั้นหรือบุคคลคนนั้นเพื่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อไปจากนั้นเขเสียงทายเสร็จแล้วเอาของสังเบยขึ้นบนรถมา้าแล้วมดม้ากูวิ่งไปทางทิศตะวันออกจากนั้นก็วกมาทางทิศใต้จากนั้นก็ทันวันตกจากน้นก็วิ่งขึ้นไปทางทิศเหนือเข้าไปสวนอุทยานพอดี ไปกับไปยืนจึกตรงแท่นบันลังหินในสวนอุทยานนี่แหละนี่พระโพธิสัตว์ทั้งกนอนอยู่ที่นั่นพอดีนี่แหละพระชรสดมาพาดมาเกยจากนั้นเขากดเชื้อเชิญเข้าไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินในเมืองตกัดศิลานี่นี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับพวกเราท่านทั้งหลายก็ลักษณะอย่างนั้นน่ะให้คล้ายกับการที่จะเดินสู่มรรคผลนิพพานนะ่ะ ถ้าเราจะไปแวะในการมกิเลสบ้างในลาบในยศในสนรเสริญในสิ่งภายนอกพวกเราก็จะต้องโดนยักขีนีโดนยักโคโนอกินหมดบางนั่นเถอะเดินไม่ถึงจุดหมายปลายทางแต่ถ้าพวกเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริง อ, อการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่ใช่ของสนุกไม่ใช่ของเพลิดเพลินไม่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาเห็นคนตายเห็นเขาตาย ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิน้นถ้าว่าพวกเราชำระกายใจของเรากายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์ดุดพลตัดกิเลสภายในจิตใจของเราไม่มาเวียนว่ายตายเกิดแล้วรู้แจ้งเห็นจริงแล้วอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกที่ท่านแนะนําสั่งสอนและท่านประพฤติปฏิบัติชี้นาให้แก่พวกเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยวางจิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตใจปล่อยวางจิตใจไม่ยึด ในกิเลสราคะโทสะโมหะปล่อยใจให้ว่างปล่อยใจให้ว่างจิตนั้นจิจตใจของเราก็อสบัดกิเลสออกจากจิตใจจิตใจก็บริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นอริยบุคคลเป็นพระอรหันต์ไม่มาเวียน่ายตายเกิดเข้าสู่แดนนวักกาศของจิตของธรรมนั่นแหละจิตเป็นอมาตะอมาตะธาตุอมาตะธรรมไม่มาเวียน่ายตายเกิดเป็นอนันตการนี่ยหละ ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีที่สิ้นสุดนะถ้าว่าพวกเรามีความมุ่งมั่นมีความพยายามมีความตั้งใจจริงถึงจุดหมายปลายทางได้แต่ว่าพวกเราไม่ตังอกตั้งใจมีแต่คิดว่าต้องการจะผลหัวใจของเรามันร้อนเราไม่มองดูเหตุเหตุที่มันร้อนเพราะอะไรพวกเราปล่อยปะละเลยเหลืองเจิ่งเกินไปใช่ไหมเราเห็นแก่อยู่แก่กินแก่หลับแกนอนแก่พูดแก่คุยปล่อยจิตปล่อยใจมากเกินไปใช่ไหม พวกเราดูต้นเหตุนะถ้าพวกเราดูเหตุแล้ว เ, เราจะรู้ได้ว่าผลมันออกมาเพราะเหตุนั้นเองมันจึงร้อนอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามดอาูอย่าให้มันมีอย่างนั้นกินให้น้อยนอนให้น้อยพูดคุยให้น้อยเรื่องความภาคความเพียรดูใจของตัวเองดูอสุภะปฏิกุลดูมรณะคือความตายอยู่อยู่เสมอเสมอเสม อ, อผมว่านั่นแหละอย่าไปตําริคํานึงถึง เออการมกิเลสอย่าไปดมดิคาหนึ่งถึงไม่ควรจะดูไม่ควรจะมองจางฟ้าชายเดินทางถึงจะมูจะมองก็ไม่พูดด้วยถึงจะพูดก็มีสติในการพูดจะไม่ลุ่มหลงในการพูดนั้นนี่แหละพวกเราจะทำได้อย่างนี้ผมว่านะความสงบร่มเย็นเป็นสุขจะมีในจิตในใจของพวกเราเนี่ยวันนี้ผมได้พูดเตือนพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นนักพจนักบวชนะ เข้มแข็งนะทําไห้เข้มแข็งอย่าไปคิดว่าเท่าแก่ชรา อ, อ, อายุถึงขนาดไหนกิเลสมันไม่ได้หลุดนะมันไม่ได้หลุดเพราะความแก่นะแก่เท่าไรก็ยิ่งอ่านยิ่งวางแผนกิเลสตัวเองเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราท่านทั้งหลายต้องช่วยกันขจัดช่วยกันพิจารณาช่วยกันไตรตรองเหตุและผลน ะ, ะการพูดในวันนี้ก็ยืดยาวพอสมควรวันนี้ อาจารย์ไม่จริงเรื่องพูดเกี่ยวกับวินยัยแต่วันนี้ผมสะเทือนใจที่ไปอาทางมุกดาหารได้ยินข่าวมาแล้วก็นี่แหละเข้ามาพูดให้หมูเ พ, เพื่อนฟังเพื่อเป็นกติเพื่อเป็นตัวอย่างแต่ทางนี้ทั้งนั้นผมไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามเหยียบย่ำทำลายบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งเพียงแต่ว่าเป็นตัวอย่างพวกเราทันทั้งหลายอย่าชะล่าใจอย่าไป น, นอนใจอย่าไปคิด เป็นอย่างอื่นต้องเตรียมพร้อมมาอยู่เสมอเห็นตัวอย่างแล้วเป็นอย่างนั้น